แต่เ็เชื่อถือความรู้ที่มาจากภายในซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสและความรู้จากภายในนั้นมีทุกสาขาคือพูดอีกนัยยะหนึ่งว่าความรู้จากภายในนั้นเป็นที่มาของสัพพัญญุตยานคือสามารถจะรู้อะไรได้ทุกอย่างขอให้สังเกตดูผลงานที่ออกมาจากความรู้ภายในคือร่างกายของเรา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 พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระพาหิยะว่าดูก่อนพาหิยะเมื่อเธอเห็นอะไรก็จงสักแต่ ว, ว่าเห็นเมื่อได้ยินอะไรก็จงสักแต่ ว, ว่าได้ยินเมื่อรู้อะไรก็จงสักแต่ ว, ว่ารู้แล้ววิญญาณจะไม่ตั้งอยู่ในภพไหนๆนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์พระพาหิยะซึ่งในขณะนั้นยังเป็นครวาสอยู่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 ก็พยายามอาศัยคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทางนำไปสู่แสงสว่างของชีวิตโดยวิธีนี้เราก็สามารถที่จะเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตได้และผลของสัจธรรมที่จะพึงได้รับนั้นยอมเปรียบเทียบกับผลในทางโลกไม่ได้เลยดังเช่นพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าปทพยาเอกราเชนะสักษ า, าคมเนนะวาสัพพโลกาธิปเจนะโสตาปฏิพลังวัง